อนาปฏิวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1223 1. พิกษณีขออากาศแล้วจึงถาม 2. พิกษณีขออากาศโดยไม่ได้เจาะจงแล้วจึงถามในปีดกใดปีดกหนึ่ง 3. พิกษณีวิกลจริต 4. พิกษณีต้นบัญญัตสิกขาบทที่12จบ